สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบเก้าแล้วนะครับคือสาวกสตรีหรือสาวกผู้หญิงของพระเยซูนะครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดข้อสามสิบหกถึงข้อที่ห้าสิบครับพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบหกถึงข้อที่ห้าสิบโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปสวยพระกายา h a n กับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้นแล้วเอ็นพระกายลงแต่ดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอ็นพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ําตาไหลเปียกพระบาทเอาผมเช็ด จูบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นฉโลมฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็คงจะรู้ว่าหญิงผู้ที่ต้องถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง เขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าค่าเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเหรียญเดนารี่อันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าสิบเหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่ากันซีโมนจึงทูลว่าก็เป็นคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากเป็นคนที่ รักตายมากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสกับสีบนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านมิได้ให้น้ําล้างเท้าของเราแต่นางได้เอาน้ําตาชาระเท้าของเราและได้เอาผมผมของตนเช็ดท่านมิได้จุบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจูบเท้าของเรา ถ้าไม่ได้เอาน้ำมันฉโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมฉโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ทไดรับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทังปวงที่เอ็นกายอยู่ด้วยพูดกันว่าคนที่เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้ พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพี่นองครับสาวกสตรีผู้นี้นะครับเคยเป็นหญิงชั่วมาก่อนและเวลานี้เขาได้กลับใจครับเขาสานึกถึงความผิดบาป ค, ความชั่วของเขาที่เขาเคยทํามาก่อนเขาได้ร้องไห้และเขาได้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์เขาได้รู้ว่า ความชั่วของเขาหรือความบาปของเขาที่เขาเคยทํามานั้นเขาได้รับการอภัยโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขารู้ครับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าพระเยซูนั้นส่งพระคุณและประทานพระคุณของพระองค์แห่งการยกโทษให้กับชีวิตของผู้หญิงคนนี้พี่น้องครับเราจะเรียนรู้ได้ว่าพระเยซูนั้นปรารถนาให้เราแสดงความรักต่อพระองค์ครับพระเยซู ไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้หญิงคนนี้แสดงความรักต่อพรองเลยผู้หญิงคนนี้ปรารถนาที่จะเอาน้ำมันพระอบที่มีราวาแผงครับมาล้างเท้าให้พระเยซูพระเยซูไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เขาทําครับในขณะเดีกันครับเราจะต้องเข้าใจว่าการที่มีผู้ที่แสดงความเอาใจใส่ต่อพระองค์นั้นหรืแสดงความรักพระองค์นั้นมีความหมายต่อพระองค์มากขนาดไหนครับ มากจริงๆครับพี่น้องครับเราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเป็นการเฉพาะตัวมากขึ้นอย่างไรได้บ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องคิดเนี่ยครับพี่น้องครับฟาริสีที่ชื่อว่าซีโมนนั้นเชิญพระเยซูไปเสวยกับพากายานไม่ผิดครับที่จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาด้วยเพราะว่าฟาริสีนั้นเป็นคนของสังคม เป็นคนของประชาชนนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งเป็นโสเพณีเข้ามาในบ้านทุกคนในเรือนก็ต้องรู้ว่านางเป็นใครครับพี่น้องครับในเรื่องนี้อย่าสับสนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนเดียวกับเรื่องที่บันทึกอยู่ในมาราโก่บทที่14ข้อ3ถึงข้อที่9และบันทึกอยู่ในยอห์นบทที่12ข้อหนึ่งข้อที่แปดเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายกันครับแต่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกัน เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นครั้งที่สองครับซึ่งพระเยซูได้รับการฉลมด้วยน้มันหอมและผู้ที่ฉลมก็คือมารีแห่งเบธานีนะครับเขาฉลมไม่นานก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงเงินเข็นแต่วันนี้นะครับเรื่องของสาวกสตรีผู้นี้ซึ่งเป็นหญิงชั่วนั้นพระกัมพีไม่ได้ระบุชื่อครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร เปรมเนียมของผู้หญิงในสมัยก่อนนะครับเขาจะต้องมีเหมือนกับเป็นขวดน้ำหอมเล็กๆครับที่ใส่ไว้อยู่ในพระอบครับและร้อยเข้ากับสร้อยคอผบน้ำหอมนี้ราคาแพงมากและพระมปีบรรยายว่าหญิงนั้นมาอยู่ข้างหลังพระเยซูร้องไห้ครับข้อ38บันทึกว่าน้าตาของนางนั้นก็ไหลเปียกพระบาทพระเยซูนางก็เอาผมเช็ดพระบาทและนางก็จุบพระบาทของพระเยซู ลโลมพระบาทของพระเยซูด้วยได้มันหอมจากพระอบของนางพี่น้องลองลอ ง, ลองนึกภาพเอานะครับสมัยก่อนเวลารับประทานอาหารต้องเอ็งกายนะครับเอาศีรษะเนี่ยเข้าหันศีรษะเนี่ยเข้าไปหาอาหารครับแล้วก็หันเท้านะครับออกออกไปข้างนอกนะครับอาหารก็จะวางอยู่นะครับอยู่ตรงกลางศีษะและช่วงบนก็จะอยู่ใกล้อาหารเพราะว่าผู้ชายต้องเอ็นกายลงบนบาะ บอกเป็นที่พิงให้เห็นกายขณะรับประทานอาหารครับขานั้นจึงเหยียดออกมาไกลจากโต๊ะพี่น้องครับเมื่อท่านเห็นภาพนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทํานะครับก็เปลี่ยนไปด้วยความเคารพเพราะอะไรครับเป็นธรรมเนียมที่จะฉลมเท้าของแขกด้วยน้ำมันหอมหลังจากล้างเท้าเสร็จท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแรงของปาเลสไตน์นะครับเท้าแตกแห้งมีสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งบ่งบอกว่านางไม่ได้เป็นที่นับถือ ของชาวเมืองนางปล่อยผมสยายในขณะที่ผู้หญิงชาวยูวคนอื่นๆจะไม่สยายผมต่อหน้าสาธารณชนเป็นอันขาดครับแต่เมื่อยิ่งแต่งงานแล้วนะครับผู้หญิงเหล่านี้จะต้องรวบผมขึ้นไม่ยอมสยายผมต่อหน้าสาธารณชนเป็นอันขาดแต่ผู้หญิงคนนี้สยายผมลงมาแสดงว่านางยังไม่ได้แต่งงานนางเป็นหญิงชมพันธ์ีครับนางคงแต่งตัวเหมือนหรือเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีว่ามีอาชีพนี้ ติโมนเจ้าของบ้านครับที่งเป็นฟอริสีนั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองและนึกในใจว่าถ้าพระเยซูปเป็นผู้เผยเพระชนะก็จะต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ถูกต้องพระกายของพระองค์นั้นเป็นใครและเป็นคนยังไงนะครับฟอริสีนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บทบัญญัติของโมูเซสครับแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะคอยตรวจ ด, ดูว่าใครทําผิดประบัญญัติมากพวกเขาถือว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมครับ แต่พระเยซูทรงทราบความคิดของซีโมนในข้อที่สี่สิบโปรตรตัสว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านและพระเยซูก็ยกเป็นคําอุปมานะครับว่ามีชายคนหนึ่งนั้นเป็นลูกหนี้คนหนึ่งเป็นหนี้ห้าร้อยเหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบเหรียญเดนาริอันนี้เป็นเหรียญโรมันซึ่งใช้ในสมัยพระเยซูครับบนเหรียญนั้นก็มีจารึกจารึกรูปาาพระจักรพรรดิเป็นเหรียญเงินนะครับ ผู้ทีเกิสะสมนมเหรนนะครับก็อาจจะหาตัวอย่างเหรียญเดริงอันซึ่งมีจารึกภาพจักรพรรดิบสององค์ของโรมนะครับซึ่งปกครองไว้ตั้งแต่ปีที่สี่ก่อนคศอสอถึงคิทศักกราดที่หนึ่งร้อยครับและมักถือกันว่าหนึ่งเดรียอันนั้นเท่ากับค่าจ้างทำงานในหนึ่งวันนะครับพิดว่านครับถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าหนึ่งเดรียอันนั้นเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เราเขียนว่านี่ของชายสองคนนี้นะครับมันแตกต่างกันครับแตกต่างกันมากจริงๆและพระเยซูถามว่าในสองคนนั้นคนไหนจะรักเจ้านี้มากกว่าซีโมนตอบถูกครับว่าคนที่รับการยกนี่ให้มากกว่าจะต้องรักมากกว่าพี่น้องครับในข้อที่สี่สิบแปดนะครับพระเยซูตรัสกับนางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วความผิดบาปขอ ง, งานางนี้มีอะไรมากมายพระเยซูไม่จำเป็นต้องสาธยายนะครับ แต่ว่ารงทราบดีและผู้หญิงคนนี้ก็ทราบดีนะครับและพระเยซูก็พูดกับเขาตอบว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพ่อครับอยากจะให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนนะครับว่าเราทั้งหลายจะต้องกลับใจใหม่เราต้องเสียอกเสียใจนะครับที่เราได้ทำบาปเราต้องตั้งใจนะครับ ทุกวันเราจะมีบาปเล็กบาปน้อยหรือบาปใหญ่นะครับซึ่งเราหลุดจากบาปนั้นไม่ได้จะต้องเริ่มต้นด้วยการกลับใจใหม่ครับจะต้องเริ่มต้นด้วยการทูลขอกําลังที่มาจากพระเจ้าและเริ่มต้นด้วยความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์ว่าด้วยความตั้งใจที่เราจะกลับใจใหม่พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงประทานกําลังของเราในการต่อสู้กับความบาปครับ และพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อของหญิงคนนี้ได้รับความรอดนะครับทําให้เขาได้รับความรอดในวันนั้นเองน้ําตาและการแสดงความรักของนางเขาพิสูจน์ให้พระเยซูทรงเห็นว่านางสํานึกเสียใจในชีวิตในอดีตพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเราจะต้องกลับใจเสียใจและตั้งใจว่าจะไม่ทําอย่างนั้นอีก เป็นช่องทางที่เราจะได้รับความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าในการยกโทษบาปให้กับเราอาเมน